ว่าเป็นทางอันเดียวที่จะนำไปสู่ความสงบระงับดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ทั้งหมดเมื่อบุคคลได้ประพฤติปฏิบัติในองค์อริยมรรคทั้งแปดประการนั้นให้สมบูรณ์องค์อริยมรรคข้อแรกนั้นคือสมาธิฏิแปลว่าปัญญาเห็นชอบมีทั้งส่วนที่เป็นโลกิยะซึ่งได้กล่าวมาแล้ว และส่วนที่เป็นโล ก, กุตระซึ่งจะกล่าวต่อไปปัญญาเห็นชอบในองค์อริยมรคนั้นหมายถึงการเห็นชอบในอริยสัจทั้ง4ประการอริยสัจทั้ง4ประการนั้นคือความจริงอันแท้จริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงศัสสรุซึ่งว่ากันตามหลักความเป็นจริงแล้ว คำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้งมวล น, นั้นสรุปรวมลงในอริยสัจทั้งสี่ประการทั้งนั้นอริยสัจข้อแรกคือทุกขสัจทุกขสัจนั้นท่านแสดงว่าบุคคลจะต้องรู้ในสาระดับด้วยกันระดับแรกคือรู้โดยปริยัตหมายความว่า เข้าใจสภาวะแห่งสิ่งนั้นๆว่าอะไรเป็นอะไรประการที่สองท่านเรียกว่าธิรณปริญญาคือนำเอาสิ่งธรรมชาติธรรมดาเหล่านั้นมาพินิษ์พิจารณาให้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้และเห็นความจริงในทุกสัตว์เหล่านั้น ที่เรียกว่ายถาปูตยานัศนะคือความรู้ความเห็นถึงความจริงในทุกขัสสะและปะหานปริญญากําหนดรู้ด้วยการละความยึดถือในส่วนที่เป็นทุกขัสสะทุกขัสสะนั้นคืออะไรคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาของมัน ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามธรรมชาติเหล่านี้ก็คงมีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมดาของมันซึ่งทรงแสดงไว้โดยสรุปว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์เจลาความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์ความทุกข์ทั้งสามประเภทนี้เรียกว่าสภาวะทุกข์คือหมายความว่า สรรพสิ่งทั้งหลายและสิ่งมีชีวิตทั้งมวลนั้นเมื่อมีเกิดก็ต้องมีแก่และจุดสุดท้ายของความเกิดก็คือความแตกดับในขณะเดียวกันจากช่วงเกิดถึงช่วงดับนั้นคนจะประสบความทุกข์ที่จรเข้ามาเป็นอันมากเช่นความโศกความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายกายความไม่สบายใจการต้องพระดรากจากเพียชนคนที่รักการต้องไปเกี่ยวข้องกับคนซึ่งตนไม่ปรารถนาจะเกี่ยวข้องความเขียวแค้งใจรับแค้นใจเป็นต้นเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นแกบุคคลทั้งหลายตามเหตุปัจจัยแต่ปักกินอากาศทุกเหล่านี้ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดขึ้นแก่คนทุกคนแต่จะเกิดแก่ใครเมื่อไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความยึดถือของบุคคลเหล่านั้นต่งนั้นความทุกข์ทั้งมวลจึงทรงสรุปไปว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการที่จิตของบุคคลไปยึดมั่นถือมั่นในขันทั้ง5ประการนั้นเองเป็นความทุกข์ ข้อนี้ได้ทรงสอนให้บุคคลรู้ถึงความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วสิ่งที่เป็นธรรมชาตินั้นคือสิ่งที่เป็นรูปกับสิ่งที่เป็นนามสิ่งที่เป็นรูปนั้นหมายถึงสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นและด้วยกายส่วนสิ่งที่เป็นนามนั้น หมายถึงสิ่งที่เราสามารถรู้ด้วยใจของเราเองดังนั้นจะเห็นได้ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นธรรมชาติธรรมดานั้นถ้าไม่เป็นรูปก็ต้องเป็นนามถ้าไม่เป็นนามก็ต้องเป็นรูปจะอื่นไปจากรูปนามไม่ได้เลยถึงแม้จะจำแนกแยกแยะออกไปวิจิตพิสดารอย่างไรก็เกาะกลุ่มอยู่สองกลุ่มนี้คือกลุ่มรูปกับกลุ่มนามเท่านั้น ในขั้นของปริยัติบุคคลจึงควรรู้ตามความจริงเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติธรรมดาของมันมันเกิดของมันอย่างนี้เมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดเขาก็เกิดขึ้นเหตุปัจจัยเหล่านั้นยังดำรงอยู่เขาก็ดำรงอยู่เมื่อเหตุปัจจัยแตกสลายไปการดำรงอยู่ของสิ่งทั้งหลายก็มีไม่ได้ ไม่ว่าใครจะเรียกร้องต้องการให้ดำรงอยู่ก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเหตุปัจจัยแกยังมีอยู่แกก็ไม่แตกสลายไปใครจะเรียกร้องต้องการให้แตกสลายแกก็จะไม่แตกสลายไปตามความเรียกร้องต้องการของคนเพราะเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาจริงๆคนเราแต่ละคนนั้นก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเมื่อมาเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเหล่านั้น จำเป็นจะต้องเรียนรู้ถึงความจริงแห่งธรมมธรมชาติไม่จะไปฝืนธรรมชาติหรือไปกะเกณบังคับธรรมชาติให้เป็นไปตามที่ใจตนต้องการในกรณีนี้ทรงสอนให้รู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นความทุกข์เรื่องว่าเป็นทุกข์นั้นจึงเข้ามาในขั้นที่สองคือหมายความว่าบุคคลจะต้องนำเรื่องเหล่านี้ ขึ้นมาพิิจพิจารณาให้เห็นว่าเป็นความทุกข์อย่างไรลักษณะของความทุกข์นั้นได้ทรงแสดงไว้ในส่วนที่เป็นกิจคือหน้าที่ซึ่งบุคคลจะต้องทําในอริยสัจข้อนี้ว่าความทุกข์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีการเบียดเปลี่ยนข้อนี้จะเห็นได้ว่าความเกิดก็ดีความแก่ก็ดี ความตายก็ดีนั้นเมื่อแกเกิดขึ้นแล้วจะทำหน้าที่เบียดเบียนคือสร้างความเปลี่ยนแปลงให้บังเกิดขึ้นแกสิ่งเหล่านั้นอาจจะเบียดเบียนทุกข์ให้เพิ่มขึ้นหรือว่าเบียดเบียนทุกข์ให้น้อยลงก็อยู่ในลักษณะของความเบียดเบียนยิ่งความโศกเศร้าร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจยเป็นต้นแล้วจะเห็นว่า เบียดเบียนจิตใจของบุคคลให้เดือดร้อนกระสับกระส่ายไปด้วยประการต่างๆ <c oughs> อาการเบียดเบียนจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสิ่งที่เป็นธรรมชาติเหล่านี้เมื่อแกเกิดขึ้นแล้วแกก็ต้องทำหน้าที่ของแกไปอย่างนั้นใครจะเรียกร้องต้องการให้เป็นอย่างอื่นไม่สามารถที่จะกระทำได้แต่ในขณะเดียวกันนั้น สิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าเกิดขึ้นด้วยปัจจัยปรุงแต่งอาการปัจจัยปรุงแต่งสิ่งต่างๆจึงเป็นลักษณะของความทุกข์ประการหนึ่งจะเห็นได้ว่าความเกิดในขั้นของรู ป, ปรกายแห่งคนและสัตว์ทั้งหลายนั้นก็อาศัยเหตุปัจจัยสองฝ่ายด้วยกันคือปัจจัยที่เป็นรู ป, ปรวัตถุและปัจจัยที่เป็นสวนนาม ปัจจัยที่เป็นรู ป, ปรวัตถุนั้นคือการร่วมกันระหว่างมารดาและปิดาปัจจัยที่เป็นส่วนนามนั้นคือกิเลสกรรมและวิญญาณเข้ามาประสมกันก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตมีจิตใจขึ้นมาแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นถ้าหากขาดปัดจจัยเข้ามาสนับสนุนแล้วการเกิดขึ้นก็จะมีไม่ได้เลย แม่การเกิดของอารมณ์ความคิดซึ่งเป็นไปในลักษณะต่างๆก็เหมือนกันล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นว่าเกิดความโกรธเกิดความเมตตาเป็นต้นนั้นก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยทั้งที่เป็นภายในและเหตุที่เป็นภายนอกเหตุที่เป็นภายนอกนั้นคือมีวัตถุเป็นตัวกระตุน้นเป็นตัวเร่งให้เกิดความโกรธ เหตุที่เป็นภายในนั้นคือใจของบุคคลที่เก็บวัตถุหรือบุคคลเหล่านั้นไว้ในฐานะที่เป็นบุคคลไม่น่าปรารถนาเพราะฉะนั้นเมื่อปัจจัยทั้งสองฝ่ายมาผสมกันความโกรธก็บังเกิดขึ้นและความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะต่างๆก็ทำนองเดียวกันคือเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยทั้งนั้นในส่วนที่เป็นความแก่ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจะเห็นว่า มีปัจจัยเป็นอันมากที่เข้ามาสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกาละที่ผ่านมาจากนาทีจากชั่วโมงจากวันจากเดือนจากปีเป็นต้นเมื่อการเวลาผ่านไปมากเข้าร่างกายของบุคคลก็เปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่ความชราความชราจึงเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัย และในขณะเดียวกันอาการเบียดเบียนในข้อต้นก็บังเกิดขึ้นแก่สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลายด้วยความเจราท่านจึงสอนให้รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่สวดกันในตอนสุดท้ายของการปฏิบัติกรรมฐานแต่ละคราวกันทำไมจึงทรงสอนให้พิจารณาหนึ่งเนืองสวดกันอยู่หนึ่งเนืองเพราะว่าทา ง, งทางที่เป็นธรรมชาติธรรมดาช น, นี้เอง แต่พอเอาเข้าจริงคนไม่ยอมรับธรรมดาเรานั่นเวลาคราวจะแก่แล้วก็ไม่อยากแก่แก่ไม่อยากให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในทางที่ตนไม่ปรารถนาแต่ถ้าหากว่าบุคคลได้พิจารณาว่านี่เป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาของเขาเราไม่สามารถบังคับกระเกณให้เป็นไปทตามที่ใจปรารถนาได้เมื่อเหตุปัจจัยที่จะต้องแก่มีอยู่แก่ก็ต้องแก่เป็นธรรมดา แม้จะควบคุมอย่างไงก็ตามแต่ยิ่งไปควบคุมมากเข้าความเดือดร้อนก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคล น, นั้นสูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นว่าเราต้องการให้ผมดำสนิทอยู่ตลอดไปซึ่งเป็นการฝืนธรรมชาติเมื่อคราวผมงอกก็เดือดร้อนขึ้นมาต้องย้อมผมพอย้อมเสร็จแล้วอยู่สองสามวันตอนโคนมันขาวขึ้นมาก็ต้องย้อมกันอีกเลยก็ต้องวุ่นวายกันเรื่องผมเพียงอย่างเดียวก็ลำบากแท้ แต่ถ้าพิจารณาเห็นวันนี้คือความชราซึ่งเป็นธรรมชาติสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาเราเองก็เป็นธรรมชาติเมื่อเกิดขึ้นมาก็จะต้องพบกับความชราที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยและแม้แต่เรื่องของความตายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจะเห็นว่าความตายนั้นเกิดมาจากเหตุปัจจัยเป็นอันมากความสิ้นอายุสิ้นอาหารสิ้นบุญ รวนแล้วแต่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความจราไอความตายทั้งนั้นและตลอดถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มาบั่นทอนชีวิตของบุคคลพระพุทธเจ้าทรงสดแสดงอุปมาชีวิตของบุคคลว่าคนแต่ละคนที่ชีวิตแต่ละชีวิตที่อุบัติบังเกิดขึ้นมานั้นเหมือนกับสัตว์ที่เดินทางเข้าไปสู่ตะรางแกงทุกก้าวย่างที่เดินไปนั้น ความตายก็ใกล้เข้ามาทุกขณะทุกขณะความเกิดทรงชีวิตเข้าไปสู่ความแก่ความแก่ก็ทำให้ร่างกายทุกนลภาพเปลี่ยนแปลงไปเกิดโรคภัยไข้เจ็บผิดเบียนอันเป็นส่วนที่เป็นทุกข์จรเข้ามาและในขณะเดียวกันความตายก็จะโผล่ตัวออกมาตัดชีวิตินตรีของบุคคลเหล่านั้นให้ขาดไปเรื่องความตายจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ทรงสอนให้พิจารณาโดยนิยะที่กล่าวแล้วเหมือนกัน เรื่องความตายนั้นถ้าหากว่าบุคคลยอมรับว่าเป็นธรรมชาติเช่นนี้แล้วเวลาเกิดแก่เกิดตายขึ้นมาก็ต้องไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรแต่เนื่องจากบุคคลขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาในส่วนนี้เวลาเกิดตายขึ้นมาก็พร่ำเพรือบ่นรำพันโศกเศร้าปริเวธนาการคร่ำครวญไปด้วยประการต่างๆไว้น่าไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะอยู่กันต่อไปเป็นต้น เรื่องความตายนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเพราะเป็นเรื่องธรรมชาติคนที่เกิดมาไม่ตายนั่นสิเป็นเรื่องแปลกเมื่อเป็นเรื่องแปลกก็มีไม่ได้ความตายจึงถือว่าเป็นธรรมดาที่ควรกำหนดรู้ไว้ประการหนึ่งว่าเป็นทุกข์เพราะเกิดขึ้นมาแล้วเบียดเบียนแล้วอาศัยเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของการดำรงอยู่และของการแตกสลายไปลักษณะของความทุกข์ประการต่อไปนั้น คืออาการที่แผดเผาให้มีความเร้าร้อนบังเกิดขึ้นจะเห็นว่าไม่ว่าความเกิดความแก่หรือความตายความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆทุกโทมนัตเป็นต้นนั้นมีความเร่าร้อนบังเกิดขึ้นทั้งนั้นจะเร่าร้อนมากหรือว่าร้อนน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าใจของบุคคลไปมีความรู้สึก บวกหรือรู้สึกสัมพันธ์ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเท่านั้นนี้ก็เป็นอาการของความทุกข์ประการหนึ่งส่วนมากแล้วจะเป็นเรื่องของทุกขเวทนาที่เราพูดว่าเจ็บไข้ไม่สบายหรือว่าเจ็บปวดเมื่อยอะไรต่างๆเหล่านี้นล้วนแล้วแต่เป็นอาการของความทุกข์ทั้งนั้นลักษณะของความทุกข์ที่บุคคลจะพึงยกขึ้นมาพิจารณาอีกประการหนึ่งก็คือว่า เป็นสิ่งที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ว่าอะไรก็ตามคือความเกิดก็มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเรื่อยจากจุดเกิดจุดเล็กๆมาจนถึงเด็กแล้วก็คลอดออกมาจากครรภ์จุดของข ค, ความแก่ก็มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเริ่มจากแก่แกน้อยหน่อยความแก่ท่านจึงแบ่งออกเป็นสองช่วงเรียกว่าแก่เปิดเรียกว่าแก่ปิดกับแก่เปิดอันที่จริงคนเราเริ่มแก่มาตั้งแต่จุดเกิด คือปฐมจิตปฐมบิญญาณปรากฏเราก็เริ่มแก่แล้วแต่ว่าแก่ในช่วงนั้นเขาเรียกว่าชาราที่มันปกปิดใครๆก็ต้องการปรารถนาเมื่อเกิดขึ้นมาก็ต้องการให้เจริญเติบโตเร็วยิ่งขึ้นชีวิตที่จเจริญปยในช่วงซึ่งจะกลายเป็นคนหนุ่มคนสาวจนถึงหนุ่มสาวที่เต็มตัวนั้นเป็นชีวิตที่ใครต้องการพอขึ้นปีใหม่เริ่มนับอายุเพิ่มแล้วเพราะว่าใครๆก็ชอบ ช่วงชีวิตในตอนนี้รู้สึกว่าตนจะได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่พออายุเลย40ไปแล้วแม้อายุจะเลยปีเกิดไปจนถึง11เดเดือนก็ยังไม่ยอมนับต้องยอมนับอายุเพิ่มจริงๆตอนวันเกิดเพราะตอนนั้นเราไม่ค่อยชอบไอตัวความแก่ที่เปิดเผยปรากฏจะเห็นเด่นชัดขึ้นมาแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วความแก่นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากจุดเกิ ด, ดช่วงแรกเป็นการปิดไว ช่วงที่สองปิ ด, ด้วยไม่อยู่มันเปิดเผยปรากฏขึ้นมานี่คือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงที่บังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของบุคคลทั้งหลายและในส่วนที่เป็นปกินนกกทุกข์ก็ทรงสอนให้นำลักษณะทั้ง4ประการนี้คือลักษณะที่เบียดเบียนลักษณะที่เกิดขึ้นด้วยปัจจัยปรุงแต่งลักษณะที่ก่อให้เกิดความเล่าร้อนและลักษณะที่มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนั้น เข้าไปกำหนดพินิษพิจารณาถึงความโศกถึงความร่ำไรราพันธ์ถึงความทุกข์กายถึงความทุกข์ใจถึงการต้องพลัดพรากจากคนอันเป็นที่รักถึงการที่ไปต้องเกี่ยวข้องกับคนที่เราไม่ชอบถึงการที่เราต้องการอะไรแล้วไม่ได้สิ่งนั้นมาตามความปรารถนาเป็นต้นนั้นก็นําไปดูนําไปพินิษพิจารณาดูว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นคือจะมีการเบียดเบียน และเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งยกตัวอย่างว่าความโศกความร่ำไรรำพันนะั้นส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดพราดพาเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการล่มหายตายจากขึ้นในชีวิตของตนแต่ว่าที่จริงแล้ววัตถุเหล่านั้นไม่ใช่เป็นวัตถุที่ตั้งแห่งความโศกเศร้าร่ำไรรำพันอย่างแท้จริง เพราะในขณะที่คนหนึ่งเกิดโศกเศร้ารําไรรําพันอยู่เพราะคนหนึ่งจากไปนั้นคนเป็นอันมากไม่รู้น็อดรู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยคนบางคนอาจจะสนุกสนานด้วยซ้ําไปเช่นว่ามีคนบ้านใกล้เรือนเคียงตายเข้าคนบางพวกก็อาจจะคิดว่าก็ไปเที่ยวงานไปสนุกสนานกันในงานศกเขานี่แสดงว่าความโศกนั้นเกิดขึ้นจากการที่จิตไปยึดถือเท่านั้นเอง ถ้าหากว่าความตายเป็นที่ตั้งแห่งความโศกแล้วคนตายกันวันเรไม่รู้จะ ก, กี่พันกี่หมื่นคนเราก็ต้องโศกกันอยู่ตลอดไปแต่ว่าเอาเข้อจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเคยเคยรับสั่งถามนางวิสาขามหาอุบาสิกาที่ต้องโศกเศร้าเสียใจเพราะหลานรักตายไปท่านก็ร้องโ hom ร้องให้ไปฟ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับสั่งถามมาวิสาขา เธอต้องการจะมีลูกหลานสักเท่าไหร่ท่านบอกว่าได้อยากจะได้ลูกหลานในเต็มบ้านเต็มเมืองคือเมืองสาวัตถีนี่อยากจะให้เป็นลูกหลานของท่านทั้งหมดพระเจ้ารับสั่งถามว่าเมืองสาวัตถีนี่มีคนตายกันวันนั้นเท่าไหร่บอก็ตายกันมากพระเจ้ารับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องร้องไห้กันกทุกวันนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่ามันอยู่ที่ความยึดถือว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราความโศกเป็นต้นจึงบังเกิดขึ้นได้ ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงเอาไว้ว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วความทุกข์ทั้งมวลที่กล่าวไว้ในตอนต้นหรือแม้แต่ในที่อื่นในกรณีที่เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดานั้นเกิดขึ้นจากการที่จิตไปยึดมั่นถือมั่นไว้เท่านั้นคือหมายความว่ามีอุปาทานในเรื่องนั้นถ้ายังมีอุปาทานในเรื่องนั้นอยู่ ความเปลี่ยนแปลงทางจิตก็จะบังเกิดขึ้นแกบุคคลเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าละอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้นคนจะรู้จะเห็นตามความเป็นจริงโดยธรรมชาติว่านี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติสิ่งที่มีการแตกดับไปเป็นธรรมดาได้แตกดับไปแล้ว สิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อประสบกับอารมณ์เหล่านั้นความโศกเศร้าร่ำไรรำพันเป็นต้นก็จะไม่เกิดขึ้นอาการยึดถือของจิตใจนั้นได้แก่ยึดถืออย่างไรข้อที่ทรงแสดงไว้นั้นมีประยัยเป็นอันมากเฉพาะในที่นี้จะกล่าวในส่วนที่เป็นอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่น แสดงออกมาในสี่ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกเรียกว่ากามุปาทานคือยึดถือมั่นด้วยอํำนาจอํานาจของความใคร่จะเห็นว่าความใครนั้นคือยึดถือว่าเป็นของเราพี่ของเราญาติของเราพี่น้องของเราทรัพย์สมบัติของเราบ้านเมืองของเราเป็นต้นคนยิ่งยึดถือมากเท่าไหร่ของเรามากเท่าไหร่ความเดือดร้อนความทุก ทรมานอาการแผดเผาที่เกิดขึ้นภายในจิตก็จะมีมากเท่านั้นอย่างที่โบราณท่านกล่าวไว้ทุกกษัตริย์ทุกเจ้าวัดทุกแม่เรือนทําไมท่านเหล่านี้จึงทุกมากเพราะท่านยึดมากกษัตริย์นั้นยึดเสียทั้งบ้านทั้งเมืองเลยเป็นของท่านเจ้าวัดนั้นก็ยึดทั้งวัดเป็นของท่านแม่เรือนนั้นก็ยึดทั้งครอบครัวเป็นของท่าน พอสิ่งเหล่านั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไ ป, ไ ม, ปไม่เป็นไปตามที่ใจตนต้องการให้เป็นไปก็เกิดความทุกข์ดังนั้นท่านจึงไดแสดงไว้ว่าสิ่งใดที่บุคคลไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้นั้นจะไม่มีโทษไม่มีเลยคือสรุปว่าสิ่งที่เราไปคิ้วไปแบกไปอุ้มเอาไว้นั้นถ้าไม่หนักไม่มีจะต้องหนักเป็นธรรมดาแต่ว่าหนักมากหรือหนักน้อยนั้นก็ขึ้นกับ สิ่งที่ไปยึดไปถือเอาไว้ว่ามีความหนักมากน้อยแค่ไหนเพียงใดอีกประการหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของความยึดถือที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจทิฏฐิคือความคิดเห็นที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขของความจริงเช่นว่าสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงก็ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วพอเกิดเปลี่ยนแปลงเข้าจิตใจก็ เกิดความทุกโธมนัตดังกล่าวแล้วตลอดถึงความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆโดยขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิษฐ์พิจณาเช่นยึดถือถึงการกระทายึดถือถึงความมีอยู่เป็นอยู่ของสิ่งทั้งหลายว่าเที่ยงแท้แน่นอนเป็นต้นพอสิ่งเหล่านั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปก็เดือดร้อนความเปลี่ยนแปลงแ ป, าาปรปว น, นั้นเป็นอาการของความทุกข์ประการหนึ่ง บางครั้งก็เป็นการยึดถือด้วยอำนาจศีลวัดคือข้อประพฤติปฏิบัติที่เคยกระทําบําเพ็ญกันมาเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆบ้างเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติต่างๆบ้างว่าจะต้องทําอย่างนี้เท่านั้นทําอย่างอื่นไม่ได้เป็นต้นและอีกประการหนึ่งคือยึดถือด้วยอำนาจวาทะว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนตของเราเป็นพวกพ้องของเราเป็นต้น เพราะฉะนั้นใครจะมากระทบอะไรที่เป็นเราๆ เ, เนี่ยความเดือดร้อนก็จะบางเกิดขึ้นข้อ น, นี้จะเห็นได้ว่าอย่างในกรณีของความโกรธบางทีมันก็เกิดเพราะความรักก็มีเกิดเพราะความโกรธก็มีกรณีของความรักก็เหมือนกันเกิดเพราะความโกรธก็มีเกิดเพราะความรักก็มีก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตของบุคคลไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ดังนั้นในชั้นนี้เองที่ท่านสอนให้ รู้ในขั้นต่อไปที่เรียกว่าปหานะปริญญาคือว่ารู้ด้วยการละถ้าจะถามละอะไรคือเราจะไปละความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั้นไม่ได้ครับต้องละความยึดถือละความยึดถือที่เคยมีอยู่เป็นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นข้อ น, นี้จะเห็นได้ว่าเรื่องของธรรมชาตินั้นเป็นตัวกลางๆคือแกเองเป็นอัปยากตะธรรม เป็นตัวกลางๆไม่ดีไม่ชั่วด้วยตัวของแกเองแต่ว่าความสวยความงามความดีความชั่วนั้นขึ้นจากสิ่งที่เข้าไปปรุงแต่งเท่านั้นโดยเฉพาะในขั้นนี้ก็คือเรื่องของจิตที่ไปกำหนดหมายเพราะอะไรเพราะว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยพระรีเจ้ากับปุถุชนนั้นเกิดเหมือนกันพระพุทธเจ้าเองก็ทรงพระชราเหมือนกันเมื่อพระชนมายุมากเข้า บางคราวจะเดินยังไม่ได้เลยเช่นคราวประชวนก่อนจะนิพพานนั้นต้องเดินในระยะทางเพียงสิบสี่กิโลต้องพักถึงยี่สิบห้าครั้งนี่ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าเองก็ต้องแก่และในที่สุดก็ต้องนิพพานไปแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ยึดตืวถ้าไม่ได้เดือดร้อนเพราะเรื่องราวเหล่านั้นการพลัดรากจากคนอันเป็นที่รักก็มีพระอักษร์ว่าวก่อนิพพานไปก่อนพระพุทธปิดาก่อนิพพานไปก่อน พระญาตเป็นอันมากต้องถูกพระเจ้าวิทูธพระทำลายไปแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ยึดถืออะไรดวงก็ไม่เดือดร้อนในความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเพราะคนเหล่านั้นถ้ายอมรับว่าความตายเป็นธรรมดาแล้วจะตายยังไงก็คือตายเท่านั้นเองเป็นสิ่งที่จะต้องแตกดับไปตามธรรมชาติธรรมดาเช่นนั้นเมื่อจิตไม่ยึดถือถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นยังไงก็ตาม คือจะมีการเร่าร้อนใจก็ไม่ร้อนมีการแปรปรวนจิตก็ไม่แปรปรวนไปแม้จะคลุกคลีอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งเหล่านั้นความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นวิธีที่จะละก็คือวะละความยึดถืออย่าไปกะเกณฑ์ธรรมชาติธรรมดาให้เป็นไปตามที่ใจเราปรารถนาเพราะว่าแม้จะกะเกณฑ์บังคับบัญชายอย่างไงก็ตาม ใครไม่อาจที่จะบังคับบัญชาได้อย่างในกรณีของความตายนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้เห็นว่าชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมานั้นมันเหมือนกับอยู่ในแวดวงของภูเขาที่กลิ้งมาได้ทั้ง4ทิศคือก้อนหินขนาดใหญ่ที่กลิ้งมาทั้ง4ี่ทิศนี่คนที่อยู่ในแวดวงของภูเขาที่กลิ้งมานั้นจะต้องตายแน่นอน เวลาตายแล้วจะไปขอผัดพรขอร้องให้สินบาทค่าสินบนอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นเลยไม่มีใครที่จะสามารถป้องกันต้านทานไว้ได้ดังนั้นการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆคือหมายความว่าในกรณีที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติก็เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องของหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติ แต่เมื่อความเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นจะในลักษณะใดก็าตางให้ยอมรับว่านี้เป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของธรรมดาข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ว่าความแตกต่างทางใจของบุคคลในโลกนั้นคือระหว่างผู้รู้ทั่วถึงธรรมของพระพุทธเจ้ากับผู้ไม่รู้ทั่วถึงธรรมของพระพุทธเจ้านั้นแตกต่างกัน ในกรณีที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้รู้ทั่วถึงธรรมของพระพุทธเจ้านั้นความรู้สึกสัมพันธ์จะเกิดขึ้นแก่ท่านผู้นั้นว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ว่าสิ่งนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจิตก็จะไม่ยึดถือในเรื่องเหล่านั้นแต่คนที่ไม่รู้ทั่วถึงธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นก็ไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงไม่ได้ปรับใจไว้ ต้องเศร้าโศกต้องโทมนัสเสียใจเพราะอาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุดังนั้นความรู้เรื่องทุกข์ในชั้นนี้จึงทรงสอนให้รู้ด้วยความเป็นจริงตามธรรมชาตินำสิ่งเหล่านั้นเข้ามาพิจารณาแล้วเพียรพยายามละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นธรรมชาติทั้งหลายแล้วความสุขความสงบก็จะบังเกิดขึ้นแกบุคคลผู้นั้นตามสมควรแกการประพฤติปฏิบัติ ต่อแต่นี้ไปเขาให้ตั้งใจทำความสงบสึขต่อไป